เในธรรมจุมมีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่วงปู่พุทธิยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจจุบันขณะสมาธิมาถึงข้อที่ที่แปดนะครับที่ทรงสอนว่าบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งนงว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบ น, นี้เราทำอะไรอยู่ เป็นพระพุทธธรรมหลัดตรัสสอนให้บุคคลไม่ประมาทในวัยในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในชีวิตกับในวัยที่เราหานิมิตกำหนดหมายอะไรไม่ได้ว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะตายเมื่อไรที่ไหนอย่างไรโดยวิธีใดแต่ว่าทุกคนก็ต้องตายแน่ ตอนก่อนจะตายเนี่ยปัญหาที่จะต้องหาคําตอบก็คือว่ารักครองชีวิตยังไงบางครั้งได้สรงเน้นไปที่การใช้ชีวิตในแต่ละขณะว่าขณะอย่าได้ผ่านพ้นเธอทั้งหลายไปก็คนที่ปล่อยขณะให้ผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าสูกเสียใจในการแฝงในการภายหลัง ความเพียนพยายามควรรีบเร่งกระทำเส้นในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายในจะมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะผัดเพี้ยนป่อรองกับพญามัจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้เลยในอัตถกถาธรรมบทได้เล่าถึงเรื่องทิดาของนายช่างหูคนหนึ่งในวข้คว่าเรสกาทิดาวัตุ เรื่องของธิดาในช่างหูมีใจความว่าก่อนหน้านั้นสามปีพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปในสถานที่นั้นแล้วก็ทรงเห็นอุปนิสัยของคุลธิดาคุ้นี้ว่าได้เคยสร้างสมอบรรมมร น, นุสติมาจึงทรงสแสดงมรนัสติกมาฐาน คนควังเป็นนั้นมากแต่ว่ามีคนใส่ใจที่จะเจริญพิจารณาถึงชีวิตในแง่ของมอนานุสติคือตั้งสติตามระลึกถึงความตายเนี่ยก็มีอยู่เพียงคนเดียวต่อมาผ่านไปสามปีพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานยาว่ากุลธิดาผู้เนี้จะตายในวันนั้นนะแต่ปราการเจริญมนานุสติของเธอก็ยังไปไม่ถึงไหน คือยังไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าก็ไปมากกว่าสมควรแหละก็เสด็จไปเพื่อจะปลดเป็นวรรคสุดท้ายพอดีเธอไปติดธุระคือพ่อก็ใช้ไปทำงานันหลังจากสเสวยพระตาหารเสร็จแล้วแทนที่พระเจ้าจะส่งอนุโมทนาก็ไม่อนุโมทนากระทับเสวยอยู่ ปุถายกติยาทั้งหลายก็รอคอยอนุโมทนาจากพระพุทธเจ้าเมื่อไม่อนุโมทนาก็ต้องรอต่อไปก็พอดีกุลธิดาคนนั้นเสร็จภารากิจก็รีบมาพระพุทธเจ้าก็ทรงมองไปที่เธอเป็นระยะให้รู้ว่าให้เข้ามาใกล้ๆเธอก็รู้เมื่อเข้าไประยะใกล้แล้วก็รับสั่งถามว่าเธอมาจากไหน เธอตอบว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่าแล้วสั่งถามว่าจะไปไหนเธอบอกไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอบอกว่าทราบพระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งถามว่าเธอทราบหรือเธอบอกไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะคือชาวบ้านที่ฟังนะมีความรู้สึกว่าเป็นเด็กผู้หญิงมาตอบเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้ามันน่าจะตอบอะไรไปตรงๆ เพราะฉะพระพุทธเจ้าจึงต้องรับสั่งถามใหม่ว่าที่ถามว่ามาจากไหนนี่ทไมเธอจึงตอบว่าไม่ทราบเธอก็กลับทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นธิดาของนายช่างหูกนี้ได้เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนแต่เมื่อถามว่า จะไปไหนที่ตอบผมไม่ทราบก็เพราะว่าหลังจะตายไปแล้วจะไปไหนเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะตายไปไหนแต่ว่าเธอก็ตายแน่เพราะนั้นเมื่อพระเจ้าเราสั่งถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่ทราบคือทราบว่าตายแน่แต่เมื่อเราสั่งถามว่าเธอทราบจริงหรือเธอตอบว่ไม่ทราบคือไม่ทราบว่าตายเมื่อไหร่ <c oughs> เอจะเห็นว่าปัญหาชีวิตที่เธอจเจริญมานานุสติมาเนี่ย เธอตอบได้อย่างเดียวคือคนเราเกิดมาแล้วตายแน่แต่ก่อนจะมาเกิดเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่รู้เฉพาะตายแน่แต่นนั้นเองดังนั้นพระเจ้าก็ทรงแสดงทำให้ฟังแต่กวนรุ่มักผลเป็นประสดาบันพวกผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้อะไรกันเท่าไรแล้วก็กลับไปบ้าน ก็ไปเกิดอุบัติเหตุที่ตอนช่วงทห่ก็ตายไปบังเกิดในสุคติหรือสึกจะเป็นสวรรค์แชนดุสิตพระแนวการพิจารณาตรงนี้มันกระตุ้นเตือนให้คนครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ตามปกติแล้วคนได้ผ่านชีวิตไปอย่างไม่น่าเชื่อคือใล้ๆกับว่าตัวเองจะมีอายุยืนคำฟ้า แต่ถท้จริงแล้วชีวิตยังขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกท่านจึงเรียกว่ากายสังขารคือสิ่งที่ปรนปลือหล่อเลี้ยงธนุบำรุงร่างกายให้ดํารงอยู่หายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายก็แสดงว่าความตายมันอที่ปลายจมูกของมนุษย์นี่เองแล้วก็เป็นเรื่องเพียงชั่วขณะ ที่คุณหมอเคยบอกว่าถ้าหัวใจก็หยุดเต้นเนี่ยหกนาทีเด็กก็ได้แล้วแต่ก็กลายเป็นเรื่องที่อัศาจรรย์เหมือนกันว่าเด็กผู้หญิงชาวแคนาดาวันก่อนที่ไปสลบอยู่ในกองหิมะเนี่ยเด็กสองขวบก ว, กว่านะัหัวใจหยุดทำงานไปตั้งสองชั่วโมงแต่ว่ากลับเต้นขึ้นมาเองได้นั้นก็แสดงว่ายังไม่ถึงกระดับ การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตรวจสอบตัวเองที่เชื่อมโยงโยกการเวลามันเป็นกระตุ้นเตือนให้คนครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการครองตนตื่ตายเมื่อไหร่ไม่สำคัญเป็นการพร้อมที่จะดับจิตไปด้วยจิตที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในกุศลธรรม ในประการต่อไปนั้นก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกตอนหนึ่งว่าบรรรปชิตกวรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่คือถามใจตัวเองคำว่าสงัดนั้นก็หมายถึงทั้งสองอย่างนะอย่างหนึ่งก็หมายถึงสถานที่ที่เราเรียกว่าวิเวกคือปราศจากเสียงรบกวน หมายความว่าไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผุถะพระที่มากระทบแล้วกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะหรือกระตุ้นโลภะให้บงังเกิดขึ้นบรรยากาศเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นการสูนตัวอย่างในสมัยก่อนเรก็พูดถึงป่าเขาลำนาำไพรถ้ำอ ะ, อ, อะไรต่างๆเนี่ยแต่ในปัจจุบันเราก็คงไปเลือกสถานที่เหล่านั้นไม่ได้แล้วนะ สมมติว่าพระจะเคลื่อนย้ายเขาไปอยู่ป่ามันก็ไม่มีป่าให้อยู่แล้วกฎหมายก็ห้ามไปด้วยแต่พระที่อยู่ป่าเว น, นี้ก็กำลังถูกขับไล่ออกมาจากป่าพระน้านก็สอนให้บุคคลหาสถานที่ที่ส ง, งัดเงียบจากเสียงรบ ก, กวนเพราะว่าเสียงนั้นเป็นคัดสึกต่อสมาธิ ต่อการทําจิตให้สงบถ้ตาตราบใดที่เรายังตัดเสียงไม่ได้เนี่ยก็ความสงบ ม, มันก็เกิดขึ้นไม่ได้วันแนวของสมาธิท่านจึงเรียกว่าต้องมีสปายะเช่นวเสนาสะนะที่พักอาศัยเนี่ยต้องเงียบปราศจากเสียงรบ ก, กวนและแม้แต่คนระดับพระพุทธเจ้าเราสังเกตว่าตอนที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงการบําเพ็ญทุกรกักขยามาเป็นการบําเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ย ตอนมันเป็นทุกรกิยาก็ปรากฏว่าอยู่ที่ถ้ำนงกสิริอยู่บนภูเขาแต่ว่าตอนนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอา ห, อ า, หารนะารับเพราะว่ามันเป็นการทรมาร์ร่างกายเพราะฉะนั้นพอ ม, มาเปลี่ยนแปลงมาเป็นเพียงทางจิตมันก็เลือกสถานที่ก็ได้ อ, อูปเวลาเสนาในคมเคลนว่าเป็น สถานที่ที่เหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรทางจิตเพราะว่ากลางวันในคนก็ไม่เคยจะพุกพล่านกลางคืนถึงไม่มีเสียงรบกวนในขณะเดียวกันก็ไม่ห่างไกลจากบ้านของชาวบ้านที่จะเที่ยวไปบินทบากมากเกินไปเพราะถ้าไกลมากเกินไปมันบินไปบินมามนก็เหนื่อยนะฮะแล้ก็เป็นการบั่นทอน ความสงบแห่งจิตจูแต่ในสุดก็เลือกมันเป็นเพียนในสถานที่นั้นจนได้สัจสรุปคือตามปกติแล้วเนี่ยคนที่มีพื้นฐานที่ออกบวชเนี่ยมันมีความโน้มเอียงในทางติดสงบคืออยากความสงบต้องการความสงบไม่ต้องการจะครุกคลีแล้วก็แนวของประธรรมวินัยเอง ก็เป็นบทบัญญัติที่เกื้อกูลต่อการทำจิตใจให้สงบจนวาการคุกครีตลกโปค้าแอะไรต่างๆแบบชาวบ้านนี่เขาห้ามเพราะถ้าสายชนเข้าไปในวัดต่างๆจะเห็นว่าคนอยู่เยอะแต่ว่าไม่เป็นมีเสียงเพราะว่า น, นิสัยก็น้มเอียงไปสู่ความสุบ แต่ว่าไม่ใช่สงบเรื่องสถานที่อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าสถานที่ที่สงบนั้นอาจจะกระตุ้นให้เกิดความกลัวก็ได้ความม่ตกกังวลก็ได้หรือว่าทายไปหาอารมณ์ที่ตรงข่ตนปรารถนาตนพอใจก็ได้อย่างเล่าถึงราชกุมารที่เสด็จออกผนวดจาราชวงศ์ิชวี แล้วก็ไปเจริญกรรมาฐานอยู่ในป่าใกล้เมืองก็สนุสนานกันภายในเมืองเนี่ยคือตอนที่ท่านจะทำใจสงบจากอารมณ์ตรงนั้นท่านก็คว้าอารมณ์ตรงนั้นมาปรุงแล้วก็รู้สึกอเนตอานาตัวเองที่มาอยู่โดดเดี่ยวอยู่ในป่ามาทอดทิ้งความสุขสําราญแบบชาวบ้านความคิดอย่างนั้นถือว่าเป็น ความคิดที่ประกอบด้วยสํานวนบาลีทันทีว่าเมถุนสัโยคคือจิตใจมันไปเกี่ยวข้ออยู่ในเรื่องเพศเรื่องกรรมคุณจิตใจก็จะไม่สงบเพราะในแนวสงบก็คือสงบระดับสี น, นียเป็นเรื่องใหญ่ในเบื้องต้นเนี่ยมัต้องสงบระดับสถานที่แล้วก็มาต้องสงบระดับสีคือหมายความว่ากายวาจาไม่กาเริบ ที่ท่านกล่าวคำง่ายๆว่าไม่กล่าวไร้ายไม่ทำลายแตว่าใจก็อาจจะสายพใจสายมันก็ไม่สงบเหมือนกันแนวเจริญกรรมฐานนั้นเป็นแนวที่เราเรียกว่าสมถกรรมฐานคือมุ่งสงบนิวรณทั้งห้าประการอาการของนิวรณทั้งห้าประการนั้นถ้าเราเทียบเคียงนะความรู้สึกที่กระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย มันก็เหมือนกับคนตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคนเดิมมันจะต้องไปชดช้ยอยู่ร่ำไปใจิตใจก็ไม่สงบวันเวลามันผ่านไปเร็วมากสมับคนที่เป็นหนี้เนี่ยเป็นใจที่กระสันหยากไม่ไม่ไม่นิ่งอยู่กับที่ถ้าเราเปรียบเป็นน้ำก็เหมือนกับ น, น้ำที่เจือด้วยสีสารพัดสีไม่สามารถจะมองดูเงาหน้าของตัวเองให้ชัดเจนได้ ประการที่สองเป็นแนวคิดแบบพยาบาทาคาดพยาบาทจองร่างจงครานแต่เราเทียบเป็นน้ำก็เหมือนกับน้ำเดือดท่าน่นเรามองเงาหน้านี่เงาหน้าเราไม่ปกติแต่ถ้าเทียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับโรคที่มันกำลังเสียดแทงคือจะเสียดแทงมากน้อยเนี่ยเราก็จะปวดก็เราคนเดียว โทสะที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นเหตประการหนึ่งก็คือแนวจีนามิทะคือม่วเหงาหานอนซึ่งซึ่งหงอยเหงาหดหูเคริบเคริมจืดชืชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยหมดอะไรตาย อ, อยากเซ็งก็แล้วแต่มันจะเข้มข้นขนาดไหนอาการเหล่านี้ก็เหมือนกับคนที่ตกเป็นท่าของบุคคลอื่น สูนเสียการเป็นตัวของตัวเองไม่มี อ, อิสระในอิริยาบถทั้งหลายคือถูกบังคับอยู่ตลอดเพราะถ้าเราดูสภาพจิตแล้วมันก็เหมือนกับน้ำที่มีเจือด้วยจอกแหน่ต่างๆมันมองเงาหน้าของตัวเองได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าจอกแหน่มันมาปิดน้ำเอาไว้ อุตจักกุจจักคือความฟุ้งซ่านรำคาญเป็นอาการกิเลสผสมคือระหว่างโมหกะกัทโทสะตัวอุตจักคือตัวฟุ้งเนี่ยมันเป็นอาการโมหะแต่ว่าตัวหงุดหงิดเนี่ยเป็นอาการกัทสะก็เรียกว่าฟุ้งจนหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิดเนี่ยก็เป็นเอเร้ฟุ้งต่อท่านก็ปเรียกรวมรวมกันว่าอุตจักกุกจักแต่ถ้าท่านผู้ฟังได้ลองไปอ่าน ในพวกสังโยชน์เนี่ยเราจะเห็นว่าจะพูดเฉพาะอุทธัจจะคือกู จ, จะเนี่ยมันจะหายไปตั้งแต่พระนาคามีแล้วแต่ว่าอุทธัจจะเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยมันโอ้เรื่องใหญ่เป็นกิเลสที่ละได้ยากมือระดับพระหันเทนั้นเองยังจะละได้เพราะกิเลสประเภทนี้มันจะเหมือนน้ำขุนทึกมองอะไรไม่ค่อยชัด แต่จะเจียบบอีกเปรียบ อ, อ, อีกประการหนึ่งก็เหมือนกับคนที่ติดคุกติดตารางก็ไม่มีอิสระเสรีอาจจะคิดสายไปโน้นไปนี้ไปนั้นแต่ว่าก็ติดอยู่ในคุกนั่นแหละคกอไปไหนไม่ได้วิจิกิฉาคือความเครียดแพรงสงสัยเป็นอาการของโมหะเช่นเดียวกัน บางทีเนี่ยมันไปติดไปติดอยู่นิดเดียวคืออย่าลืมว่าการไปบัติทางจิตเนี่ยมันที่จริงมันเป็นเรื่องขนาดจิตแล้วถ้าเราลองดูให้ดีการเป็นอะไรของเรามันเป็นเรื่องขนาดจิตที่มันต่อเนื่องกันได้ขนาดไหนเราอาจจะเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมมานาน แล้วเกิดลูกอํานาจเก่ อ, อารมณ์ชักปืนเปี้ยงยิงคนตายกลายเป็นฆาตก ร, รไปทันทีทันใดถ้าถามว่าเวลามันนานไหมมันก็นิดเดียวเวลาไม่นานแต่ว่าโดยความคิดที่มันเกิดผิดซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นก็ทําให้ตัดสินใจทําอะไรลงไปลักษณะของจิตที่มันยังเครือบแคลงสงสัยเนี่ยมันจะเกิดอาการชะ ง, งัก คือจะทำดีก็ไม่ไปทำชั่วก็ไม่ไปคล้ายๆก็ไปถึงทางสองแพร่งไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาหรือว่าสามแพร่งเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนคือตัดสินใจไม่ได้วันาบางทีในคนก็มาติดอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะเช่นสมมติว่าชาวพุทธเราเวลาเนี้ยมีเป็นนันมากที่ไปตั้งแง่กับพระพุทธเจ้าเรื่องประสูตยแล้วเดินด้วยประบาดได้เจ็ดเก้าเลย และส่วนมากความรู้สูงสูงนะฮะคือท่านประเมินตัวท่านเกินไปคือท่านคิดว่าถ้าท่านทําไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะทําได้เพราะท่านเป็นนึ่งด็อกเตอร์มันคนละเรื่องนะคือตามปกติพวกนี้จะประเมินตัวเองไว้สูงแล้วก็ตีค่าคนอื่นต่ําบางทีก็ตีเสมอพระพุทธเจ้าไปโดยไม่รู้ตัวนะฮะ ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลพิเศษมันไม่ใช่ส า, สามัญชนอย่างเราเพราะสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากมี่ยสำหรับคนพิเศษอย่างนั้นน่ะก็เกิดขึ้นได้แต่เราก็ไม่พิเศษเราจะจบด็อกเตอร์อะไรก็ตามเราก็ไม่ได้พิเศษอะไรอะ่ะเรายังมีกิเลสยังมีโรคกรดหลงอยู่แล้วก็โลคมากกว่าหลงตัวเองมากกว่าคนอื่นไม่ทำไปเนะี่ย มันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแต่มาว่าเขาเรียกเกินไปนะฮะพวกกรรมการที่ปฏิรูปการศึกษาเก้าคนเนี่ยเขาเรียกว่าเก้าอรหันต์นมาบอกให้เกียรติเขามากเกินไปพระอรหันต์ก็ไม่ทําอย่างนั้นหรอกแต่อรหันต์มันก็ไม่ควรจะเรียกอรหันต์ก็ไม่ควรจะเรียกนะแต่๋ยวเขาเรียกในกรณีที่ คือถือว่าตัวเองเป็นผู้ถูกต้องซึ่งผิดหลักพระหัรท่านไม่ถือว่าท่านถูกต้องแต่ท่านถือว่าธรรมะนี่เป็นตัวถูกต้องเพราะภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่เราฟังแล้วเราก็หดถูใจว่าเออชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักแม้แต่กรอกของคำว่าพระอรหันต์เอาไปเรียกคนสามัญเป็นพระหันได้ยังไงเพราะระดับพระอรหันต์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ เข้าถึงสัจธรรมในที่แท้มียานทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเป็นความรู้ที่ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายเพราะอะไสิ่งเหล่านี้มันถึงจุดหนึ่งมันต้องสงบถึงใจคือสงบที่ตัวนิวรเนี่ย ถามใจตัวเองว่ายินดีในที่สงัดหรือไม่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่ายินดีเฉยๆแล้วก็ไม่ขยับเขยื่อนไปไหนไม่ต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตัวเองเความเห็นในลักษณะอย่างนี้มันก็ต้องคิดบ่อยๆถามใจตัวเองบ่อยๆแล้วพอถึงสาธุรชนทั่วไปมันก็มีลักษณะอย่างนั้นราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกัน เพราจะวุ่นวายอะไรกันนักหนาละ่ะในเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องทิ้งโลกนี้เอาไว้ในเบื้องหลังทำไมจะต้องวิวาสทำไมจะต้องต่อสู้ทำไมจะต้องปราบปรานกันทำไมจะต้องเบียดเบียนกันการต่อสู้เพื่อรักษาความถูกต้องเป็นธรรมนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือบางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่เราน่าเห็นใจเย่ า, างเมก่อนดูเขาเรียกอะไรละ่ะ ก็เรีว่วประหานเด็กก็พูดก็เล่าไปเรื่อยๆเนี่ยคือฟังแล้วสลดตดถูท่ที่จริงมันเคยดูมาตั้งแต่โลกสีน้ำเงินของด ร, รสมเกียรติเนีคือว่าทำไมว่าเขาลูกไทยหลานไทยนี่แหละแกเกิดในเมืองไทยแกก็เป็นคนไทยเนะี่ยจะว่าอย่างไงอ่ะทำไมไม่จัดการเธอถูกต้องมันเป็นเยาวชนของแผ่นดิน เป็นประชากรของโลกนะฮะเป็นประชาคมโลกเมื่อมันเกิดในแผ่นดินเราก็ต้องให้สิทธิความเป็นคนแก่เขาความเป็นประชากรของเขาคือกฎหมายเนี่ยบางทีมันต้องนึกถึงธรรมะธรรมะที่ยุติด้วยธรรมเป็นธรรมเชื่องธรรมเนี่ยกฎหมายบางทีมันเป็นลักษณะทางอารมณ์เป็นความรู้สึกอคติที่มีต่อการเก่ดเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง กฎหมายจึงต้องไม่ทําเป็นฐานในภาคสนามจึงจะเป็นประโยชน์คือกูลแล้วก็ยุติได้ธรรมเามาขนทั้งหลายได้ถ้าเราทำได้เนี่ยใจเราก็สงบแล้วก็การอยู่ร่วมกันภายในสังคมก็สบงบเพราะฉะนั้นไอแนวตัวเนี้ยที่จริงก็คือแนวปรารถนาสารพัดในปัจจุีอเมรีกาแลกได้ดังใจจุง ปัญหาชนกลุ่มน้อยปัญหาชายแดนเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาความสงบได้โดยการหยิบยืน่นมิตรเมตมตรีเมตม ต, ม ต, ม ต, ม ต, ตาการุณาแก่คนเ่านั้นปัญหาว่า ย, ยินดีที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบหรือไม่แล้วก็เมื่อทุกคนได้คำตอบทุกคนก็ต้องพยายามแสวงหาจุดที่จะมาประสานกันเพื่อเกิดการอยู่ร่วมกันโดยสันที่สุด แสดงว่าเป็นธรรมะทั่วไปแก่คนทั้งหลายสิ่นเดียวกันต้งฟังทั้งหลายแต่รมประโพิยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญก็ ง, งามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี